เราจะคิดว่าการปฏิบัติคือการทำอะไรแปลกๆเราจะปฏิบัติเรา้มีสตินี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดมีสติไปเรื่อยเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดเห็นใจมันคิดรู้เท่าทันไปเรื่อยการภาวนาการใช้ชีวิตจริงๆนั้นเป็นอันเดียวกันไม่แยกออกจากกัน ถ้ายัางแยกอยู่นะว่าชั่วโมงนี้หรือเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติชั่วโมงนี้เวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติยังห่างไกลจากความสาเร็จในธรรมะถ้าชีวิตเราก็ทธรรมะเป็นอันเดียวกันนะก็สาเร็จแล้วละ่ะว่าชีวิตก็ทธรรมะเป็นอันเดียวกันลนะยินแต่นั่งนอนก็รู้สึกตัวไปอย่าตระเลเิดเปิดเิยลืมได้ลืมตัว จะทอะไรนะจะกินจะทำจะดื่มจะพูดจะคิดจะขับถ่ายรู้สึกตัวไปด้วยเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทงานไปด้วยทำอย่างนี้นะวันวั น, วนหนึ่งเราปฏิบัติได้หลายสิบชั่วโมงเลยเป็น2ี่ชั่วโมงเลย เ, เว้นเวลาหลับจริงๆอะ <efendim> ปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับในวันหยุดนะถ้าวันทางานก็หักเวลาที่ทางานที่ต้องคิดออกไป ในชีวิตของคนรนุ่นเราเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ7จ็ดสิกว่าปีเจสห้าปีสมมติเอาไปนอนสัก25่สิปีเอาไปทำงานสักอีกส่วนหนึ่งอย่างเรานอนแดชั่วโมงเนี่ยก็หนึ่งในสทํทำงานอีกแดชั่วโมงก็หนึ่งในสมเวลาที่เหลือหนึ่งในสามหนึ่งในสมเอาเวลาไปทะเลถลทยแล้งก็หมดแล้วละ่ะไม่เหลือแล้ว งนเวลาที่เหลืออยู่ที่ไม่ต้องทำงานที่คิดก็ไม่ต้องนอนหลับเนะี่ยเรากำกับสติลงไปมีสติลงไปทำอะไรก็ได้ชอบปลูกต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้ชอบเลี้ยงหมาก็ไปเลี้ยงหมานะปลูกต้นไม้มันไม่ได้บาปอะไรเลี้ยงหมาก็ไม่ได้บาปอะไระชอบยิงนกตกปลาก็ไม่เอาดันะนั้นาบาปอยากทำอะไรก็ทำนะที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรม แล้วมีสติไปตามมองเห็นจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันจมูกได้กลิ่นได้รสใจกระทบสัมผัสนะใจคิดนึกเกิดสุขเกิดท<โ>ุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์ความดีความชั่วเกิดแล้วก็ดับไปนะ เดียวย่นเรื่อยไปสุดท้ายจิตมันก็ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นอมตะกระทั่งนิคมอมตะนะแต่นี่มีมันไม่ออมตะเราถึงวันหนึ่งก็ต้องเลิกไป่อาจจะอยู่อีกหลายร้อยปีก็ได้แต่ยังไงก็ต้องหมดไปไม่มีอะไรที่คงที่ได้นิรันดรน์นี่เวลาเรามีชีวิตอยู่เรามีความสุขอยู่เราอยากให้มันอยู่นานๆรู้สึกมีความสุขมีร่างกายเนี่ย อยากให้ร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีคนที่รักก็อยากให้ให้มีคนที่รักไปเรื่อยๆไม่อยากพลัดพรากเวลาเจอไม่ของไม่ดีนะก็อยากให้มันหมดเร็วๆหมดเร็วหมดไม่เร็วมันก็หมดตามเวลาของมันจำได้ในปีห้าสี่น้าท่วมใหญ่น้ำมาใกล้บ้านเราเลยอยากให้น้ำไม่มาสุดท้ายน้าก็มา พอน้ำก็ต้องมีที่ไปเหมือนกันพอน้ำมาเราอยากให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปมันยังมีจํานวนมากแต่ ถ, ถึงเวลามันก็ไปงั้นความอยากของเรานะมันความไร้เดียงสาเราอยากนอนอยากนี่ไร้เดียงสาถ้าเราอยู่กับมันได้อยู่กับความเป็นจริงได้อะไรจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกอย่างเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะพอมันแก่เจ็บตายขึ้นมามันก็ทุกข์นะถ้ามันเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็ไม่ทุกขหรอกมันแก่ก็เรื่องธรรมดาน่าภูมิใจได้อยู่มาจนแก่ mm hmm. เจ็บก็ยังดีคนอื่นเจ็บมากกว่าเราอีกนะเราเจ็บขนาด น, นี้ยังพออยู่ได้ถ้าเจ็บมากกว่านี้คงตายไปละถ้าจะตายก็อยู่มานานแล้วตายซะบ้างก็ดีคนอื่นก็จะได้มีที่อยู่ไม่รู้จากตายใครที่อยู่ไม่มีนะสู้ๆหน่อยนะให้มันเด็ดเดี่ยว mm hmm. ลำบากแคช่วงเดียวแหละลำบากแคช่วงเดียวนะพอใจมันภาวนาเป็นแล้วคราวนี้ง่ายไม่มีอะไรแล้วจิตมันเดินเองแต่ก่อนที่จิตมันเดินเองแล้วพามันหัดภาวนาก่อนรักษาศีลห้าไว้ทุกวันต้องฝึกให้ใจอยู่กันเนื้อกับตัวเจ็ดใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วพามันดูความจริงของกายดูความจริงของใจไหมันไม่ดูก็พามันดูเขี่ยวเข็นมันดูแต่พอมันดูเป็นแล้วนะ ไม่ต้องทําอะไรนะครั้งนี้ยนอนกระดิกเท้าอยู่ก็ภาวนาอยู่นะไม่ต้องไปเดินจงกรมให้ลําบากหรอกหลวงพ่อ น, นี่แหละตอนบวชมาพารษาที่สองนอนกระดิกเท้าเฉยเฉ ย, ย, ยนะเหนื่อยมากแล้วเจอหน้าโยมโยมกลับไปหื้ยเหนื่อยเมื่อไลร่จะกลับพอกลับไปแล้วมันนอนหมดเล็มหมดแรงนะตื่นขึ้นมายังไม่มีแรงลุกขึ้นมาเดินจงกรมขย่าขา ยังเดินทั้งตัวไม่ได้เดินแต่ปลายเท้าก่อนเขย่ารู้สึกนะใจมันลวมวึบขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาตอนอยู่สวนโอเนี่ยเดินจงกรมมากแต่เดินจงกรมก็คือลากสายยางไปด้วยหลดต้นไม้นี่เดินจงกรมแบบหลวงพ่อประโมทต้นไม้ก็โตนะใจเราก็โตขึ้นด้วยไม่ใช่อู้ชันไม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะเดินจงกรมฉันจะเอาดีพวกนี้ไม่ได้ดีหรอก ยพยายามนะหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตของเราเราต้องทํางานอะไรก็ทํามันไปบางคนต้องดูแลพ่อแม่ดูแลคนเจ็บคนป่วยแนละ้วน่าเบือ่อดูแลพ่อแม่ก็น่าเบือ่อธรรมดาดูแลคนแก่ไม่สดชื่นจ้างไปดูสาวๆคงสดชื่นไม่ต้องจ้างเลยนะเสียเงินไปดูก็ยอมเนี่ยเวลาเราต้องดูแลคนแก่นะใจห่อเหี่ยวพอนางเราเราดูใจที่ห่อเหี่ยวนี้ ใจุดหิดรู้ว่างดหิดดูของเราไปได้ประโยชน์นะได้ดูแลพ่อแม่ด้วยได้ภาวนาด้วยไม่ขัดกันไม่ว่าจะทําอะไรนะเลี้ยงลูกป้อนข้าวลูกมันเคี้ยวตุ้ยตุ้ยแหมรู้สึกน่ารักน่าเยอย็นดูรู้ว่ารักรู้ว่าพอใจให้มันกินเราจะรีบไปทํางานให้มันกินมันอมอยู่นั่นแหละไม่เคี้ยวสักทีชักโมโหนะทำไมมันอมอยู่อย่างนี้วะไม่อยอมเคี้ยวโมโหรู้ว่าโมโหแต่หาทางหลอกให้มันกินซะ ยังไงก็ต้องให้มันกินไปทุกอย่างนะถ้าไม่ใช่งานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยานาได้ตลอดภานาได้ตลอดรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานไปถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ชั่วโมงปฏิบัติเราเยอะๆหากเวลานอนไป8ชั่วโมงแปดชั่วโมงนี้นอนเยอะเกินไปหน่อยนะอ น, นี้พูดเพื่อให้คิดเลข ง, ง่ายๆนะไม่ต้องเอา8เปเป๊ะๆนะ บางคนบอกแม่เอาแปดเป็ดๆงเอาเก้าไม่ใช่เด็กเล็กๆให้ต้องนอนเยอะขนาด น, นั้นนอนเท่าที่จำเป็นห้าชั่วโมงกำลังสวยจริงๆร่างกายต้องการพักผ่อนจริงๆห้าชั่วโมงจิตต้องการพักผ่อนสั้นกว่า น, นั้นอีกถ้จิตจะพักผ่อนสั้นนิดเดียวเลยสัเยงเกดูตอนนอนหลับนะแป๊บเดียวก็ฝันแลตอนนั้นจิตไม่ยอมพักผ่อนนะ ฉะนั้นจิตเวลามันฝันไปนะถ้าภาวนาเป็นใจมันจะตื่นสว่างโพลงขึ้นมาภาวนาไปร่างกายยังนอนอยู่จิตภาวนานนทำได้ค่อยฝึกนะหลอมรวมการปฏิบัติเข้ามาอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ให้ได้วันหนึ่งจะได้หลายชั่วโมงเลยแล้วในเวลาทำงานแปดชั่วโมงเอาเข้าจริงไม่มีใครทำงานแปดชั่วโมงแอบไปคิดเรื่องอื่นซะเยอะเลยในเวลาทงานเวลาทางานใจลอยบ้างไหม ถ้าเป็นคลื่องกัรใจลอยเรียกคอร์รัปชันตอนนี้เป็นเวลาทำงานไปคิดเรื่องแฟนหรือคิดเรื่องนี้คอร์รัปชันแล้วนะโกงหลวงแล้วแต่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ใจมันจะคิดนะทำงานให้เสร็จให้ทันให้ได้เป้าก็แล้วกันแต่เวลาที่ใจมันหนีไปนะให้มีสติรู้ทันแชั่วโมงนั้นเอาเข้าจริงนะคนเราจะมีสมาธิในการทำงานจริงๆ ประมาณ4ี่ชั่วโมงเท่านั้นประมาณสี่ชั่วโมงนะั้ที่เหลือใจลอยความจริงใจลอยสเปซ ส, สปาเลยนะแต่ว่าพลังที่จะทํางานที่ต้องจดจ่อจริงๆได้ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงวันหนึ่งมากกว่านั้นจะไม่ค่อยมีกําลังจริงนะแค่นแค้นทำไปงั้นเองนี่ใน8ดชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงไปทํางานจริงสี่ชั่วโมงนี้เป็นการทํางานแฝงไม่ได้ทํางานจริงกำลัง แ, แอบไปคิดเรื่องอื่น นะช่วงนี้ก็ภาวนาไดนะ้ช่วงนี้ภาวนาได้อย่าไปคิดเลยใจลอยไปเรื่อยๆ เ, นะเห็นไหมเรามีเวลาว่างของเรา8ดชั่วโมงเนี่ยขอรับชั่นได้สี่ชั่วโมงนะได้เท่าไหร่ละสิบละสิบสองละนะ้วนอนไม่ถึง8นะนอนห้าก็ได้ได้สิบหชั่วโมงนะแล้วเราทําเป็นนะการภาวนาเนี่ยเราจะเร็วมากเลยเพราะเราภาวนาเยอะมากเลยพระเคยถามหลวงพ่อนะ พระหนุ่มๆ น, นะเป็นพระอุปัฏฐากครูบาอาจารย์ถามว่าโยมทำได้ไงโยมทำปีหนึ่งนะพระทำสิบปียี่สิปีไม่เท่าโยมเพราะผมทำทั้งวันทำทั้งวันนะยกเว้นเวลาหลับจริงๆกับเวลาทางานที่ต้องคิดจริงๆถ้าทำได้มันก็ได้ผลเร็วถ้าอยากพนทุกก็ต้องทาเมานะอยากพนทุกมาขอพรไม่ได้กินหรอกเอาส่งกันบ้าน ค่ะของเพนนี้ดูกายมาสองสาวันแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่ามันมันเหมือนเราไปสร้างพบใหม่นะคะไปไปไประลึกกายกว้างมันก็กลายเป็นแบบไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เป็นไรยังดีเนะบื้องต้นทําอย่างนั้นก่อนก็ได้เบื้องต้นไม่ต้องเป็นธรรมชาติเป๊ะๆหรอกมิฉนะนั้นใจเราจะมีธรรมชาติหลงไปเลยเบื้องต้นก็จงใจไว้หน่อยหนึ่ง งดจงใจไว้หน่อยหนึ่งคอยรู้สึกไว้หน่อยสร้างพบไหมนิดๆไม่เป็นไรไม่สร้างเลยแต่สุดท้ายจิตมันแอบไปสร้างเะฉะนั้นเราสร้างซะเองดีกว่าแต่ตอนแรกนึกว่าจิตไปสร้า ง, างพบไว้เราอะไรสร้าง <laughs> เราจะปฏิบัติเนี่ยเรากลัวมันจะเผลอไปแล้วก็อยากรู้สึกกายทั้งกายาทําใจกว้างๆออกไป ทำใจกว้างๆออกไปก็ได้แต่ไม่ประคองให้มันแข็งเกินไปแม่ใจแน่นนะนี่นะมันจะตึงกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะให้ตึงไว้นิดๆจะเอาพอดีเป้มจะหย่อนไปกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมานอนวัดเมื่อคืนเป็นคืนแรกแล้วก็คืนนี้จะเป็นคืนที่สองกลัวอะไรบ้างไหมครับกลัวอะไรบ้างไหมเอ่อ ตอนกลางวันไม่กลัวครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้หลังจากฟังตรวจพักรพิจแล้วก่อนที่จะเดินกลับกุฏิมีเพื่อนมาพูดในเรื่องผีแล้วก็โดยปกติผมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ตอนกลางคืนก็พยายามเดินเข้าไปกุฏิแล้วก็พยายามตั้งใจมั่นก็แงล่ละอยู่สารานะกลัวผีก็ต้องหนีเข้ากุฏิถูกแล้ว แต่ว่าระหว่างทางเดินเข้ากุฏินี้มันก็มืดมากครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ผมรู้สึกอบอุ่นใจนะครับแล้วก็รู้สึกตัวว่าใจไม่กลับมาอยู่ที่ตัวนะครับแล้วก็ใจส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลวงพ่ อ, อครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ว่ากลัวผีมผมก็เอาหลวงพ่อเป็นสาระนะครับ <laughs> อันนี้ความจริงครับแล้วก็พอกลับไปถึงห้องแล้วก็ถึงกุฏิก็เปิดไฟทุกดวงก็อุ่นใจขึ้นแต่ว่าก็วกกลับมาว่าทำไมเราไม่ลองอยู่เหมือนพระดูบ้างก็เลยค่อยๆดับทีละดวงแล้วก็จุดเทียนครับแล้วก็เดินจงกรมพระก็ไม่ได้จุดเทียนนะอ๋อจุดจุดเทียนครับไม่เทียนพวกพระอ๋อพระก็ไม่จุดเทียนเลยงั้นเดี๋ยวคืนนี้ลองดูครับ เวลาเวลาที่เราจุดไฟไว้ในขุดิเนี่ยเรามีแสงใช่ไหมแมลงมันก็มาอยู่ที่หน้าตา่างทุกแกมันก็มาครับตุกแกเนี่ยนะถ้ามันจับแมลงตัวใหญ่ได้มันต้องโขกโขกให้ตายก่อนนะ<อ>ฟาดปักปักปักเหมือนคนครอบประตูเลยคนที่าผีมาครอบประตู <laughs> แล้วก็กลับไฟก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งส ม, มาธิแล้วก็เความกลัวก็หายไปครับแล้วก็เป็นง่วงนอนแล้วก็เข้านอนเลยครับ นี่เห็นไหมล่ะความกลัวมันดีตรงนี้แหละพอมันเลิกกลัวก็หลั บ, บแต่อย่างนี้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่ท่านภาวนาอยู่กับเสือกับช้างนะมันน่าตื่นน่ากลัวมันทำให้ตื่นตัวถ้าขยันภาวนาถ้าหลับไปเดี๋ยวเสือมาคาบไปเลยพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เสือมันก็มานั่งเฝ้าแกเมื่อไหร่จะนอนทันทีจะได้มาคาบออกไปท่านก็เดินอย่างนั้นเอ อาศัยความกลัวนะมาภาวนาครับนะดีอย่างนี้ดีกลับขอพระคุณหลวงพ่อครับที่จริงวัดตรงพ่อมีของน่ากลัวก็มีอย่างเดียวนะคืองูงูเหา่าจงอางเนี่ยมีงูสามเหลี่ยมมนะีแต่ว่าทางวัดน้องเลงเขามีงูกระป๋าด้วยแต่เขาก็ ง, งูใหญ่ๆอย่างนี้คงไม่มีทางนี้มันใกล้กะป่ามากบางทีเขาเผาข้างนอกนะฤดูหนาวนี่ยแหละ ข้างหน้าเขาจะเริ่มเผาทุ่งแล้วมันลามเข้าป่าพวกสัตว์นี่จะหนีมาอาศัยในวัดเพราะงั้นกลางคืนเดินก็ส่องไฟฉายนะพวกงูทั้งหลายที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่เคยถูกใครทําร้ายเงั้นจะไม่ทําร้ายคนยกเว้นถูกเหยียบนะมันมันทำร้ายมันก็ไม่ได้กาทําร้ายนะมนกาแล่วสู้เพื่อจะหนีเนะงั้นเราส่องไฟไว้ไม่ไปเหยียบมันแล้ไม่เป็นไรแล้วลนะ่ะ น้ำมาสการหลวงพ่อค่ะกายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหมดูออกค่ะถ้ามันแยกได้ต่อไปเราเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละรู้สึกไปบ่อยๆเห็นไหยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเห็นไหมเห็นค่ะอันนี้ความมั่นใจในการเห็นน้อยกว่าเห็นกายค่ะงั้นดูกายไว้เห็นกายไม่ใช่เรากายยืนเดินนั่งนอนใจนะ ค่ะดูกันไปเรื่อยๆค่กๆกะกรรนมัสการหลวงพ่อครับผมไม่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ว่าอาพอดีได้มาอยู่ที่วัดแถวๆนี้ด้วยครับอืก็อยู่มาสี่คืนก็มีแรงขึ้นมาบ้างเาต้องฝึกกันี้นแหละให้ใจมันอยู่กับตัวเองไม่ได้เกิดพลังขึ้นมาครับพอมีเรี่ยวมีแรงนะแต่ไปใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นนะ ร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราตัว อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าให้ใจออกนอกถ้า ใ, ใจออกนอกไม่มีแรงดูครับขอโอกาสครับ เ, เพิ่งจะมีโอกาสส่งงานบ้านครั้งแรกครับก็ได้ได้ฟังเทปหลวงพ่อตลอดเวลาที่ขับรถนะครับประมาณสองปีเสร็จๆครับก็ลองทําตามดูนะฮะ ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเห็นจิตรู้สึกไม่โลกมันห่างออกไปใช่ครับมโลกมันห่างโลกมันจืดนะจะค่อยๆเป็นนะใจเราก็สงบสุขอยู่กับตัวเองได้เยอะขึ้นครั บ, ร บ, รบแต่ต้องสังเกตนะทีใจมันกระจใจออกไปข้างนอกถ้าใจกระใจข้างนอกก็หายใจกลับมารู้สึกร่างกายไว้อย่าให้ใจหนีเกิดกายออกไปนะค่อยรู้สึกอยู่ในกายนี้ งงไหมครับงงบ้างไหมมีครับอองงให้รู้ว่างงเ <c oughs> นี่ยดูลงไปเลยความรู้สึก ง, งงมันผุดขึ้นมา <c oughs> นะมันผุดมาจากกลางหน้าอกมันผุดขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> เรารู้ทันนะมันก็เกิดดับเหมือนกับสภาวะอย่างอื่นอะ่ะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรอบรู้อะไรมากมายเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับต้องการแค่นี้เองแล้วสิ่งที่มีอยู่นะั้นไม่ใช่ตัวเรานะต้องการแค่นั้นเองครับของคุณครับ นามากรหลวงพ่อครับผมจะถวายผลที่ผมได้ไดแจกหนังสือหนังสือของหลวงพ่อไปหลายจังหวัดไปไปไ ป, ประมาณประมาณหมืมมม่นชุดครับดีดีก็จะแจกได้เรื่อยไปนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็ถวายผล บุญที่ผมได้จา ร, ระพัสถวายครับมาพุทธประธรรมประสงหลวงพ่อประโมทด้วยสาธุาาาที่หลวงพ่อสอนนะแล้วพวกเราเรียนได้มากนะ<า>เพราะพวกเราช่วยกันทําสือ่อหลวงพ่อเทปอย่างเดียวนะอะบางคนก็ไปทําถอดเทปไปทําหนังสือทําซีดีทําวีดีโอไปทําอินเทอร์เนต็ตอะไรต่ออะไรหลวงพ่อไม่ได้ทําเองทําไม่เป็น ในการที่เราช่วยกันกระจายธรรมะออกไปนะคนซึ่งมีบุญวาสนานะี่ยได้สัมผัสชีวิตเขาดีขึ้นหลวงพ่อออกไปต่างจังหวัดหนระือบางทีไปที่อื่นไกลๆนะไปต่างประเทศอนะไรเงี้ยเห็นคนเขาชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นเขาได้อ่านหนังสือเขาได้ฟังซีดีอะไรพวกนี้ได้อาศัยสื่อที่พวกเราช่วยกันทําขึ้นมากนะารอนุโมทนากับทุกคนนละ่ะ นั้มารการขพอครับเดินก็มันจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะส่งครับก็เห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นครับนะแล้วก็แต่บางทีก็ยังสู้กับมันได้บางทีก็สู้ไม่ได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้คือคือแพ้กิเลสไม่เป็นไรนะเบื้องต้นมันย่อมจะชนะตลอดมันก็ไม่ชนะหรอกแต่ถ้าแพ้กิเลสยังไงก็อย่าให้ผิดศีลห้าเอาแค่นั้นก็พอแล้วละนะครับรักษาศีลห้าให้ดี แล้วเวลาหินจะรู้สึกมันอึดอัดอยู่ที่ตรงใจเนี่ยใช่มันอยู่กลางหน้าอกตรงนี้ยครับมันทุกอยู่ที่นั้นะผุดขึ้นมากลางหน้าอกนะครับ Master p r o m o t I'd like to know if I'm practicing correctly แค่อยากรู้ว่าฝึกถูกหรือเปล่าสังเกตไหมล่ะเขาไม่เหมือนเดิม Can you notice you're not the same as you used to be ยังไม่ใจมันตื่นได้ Your mind ability has the ability to wake When a k e up. w the mind wakes up, it becomes the the knower, the awakened one. When the mind is awake and aware, you can see that the body and mind are two separate things. that The feelings that arise in the heart and the mind that observes them are two different things. ถ้าดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอกภาวนานดีขึ้นเยอะเลยเจสต์เจสพูดภาษาฝรั่งเก่งนะแต่เขาพูดไทยเก่งกว่าคนไทยบางคนนะออพูดไทยรู้เรื่องอ่ะ คนไทยบางคนพูดไม่รู้เรื่องยิ่งพวกเด็กๆนะหลวงพ่อได้ยินวัยรุ่นไปเชียงใหม่นะกลางวันไปฉันนะ เ, เทศเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วไปฉันเพลนพวกเด็กกลุ่มหนึ่งมันคุยกันเสียงดังมากเลยมันพูดอะไรวะ <c oughs> มาฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เจสเนี่ยพูดเราฟังรู้เรื่องกราบนวัตการมหลวงพ่อ แว่า ไ, ไงโยมไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วครับก็อยากกลับเดินถามหลวงพ่อว่าโยมพัฒนาบ้านขึ้นหรือเปล่าให้เป็นคนดูสบายๆไปงี้แหละค่ะภาวนาต้องมีความสุขนะค่ะภาวนาเราเคร่งเครียดนั้นภาวนาผิดแน่นอนค่ะภาวนาไปสบายไปดูปบ่อยๆแล้วยมต้องแก้ไขอะไรอีกไหมไม่แก้หรอกรู้อย่างที่มันเป็นค่ะถ้าคิดจะแก้นู่นแก่นี่นะก็เป็นสร้างภพขึ้นมาอีกค่ะ นะรู้อย่างที่กายเป็นรู้อย่างที่ใจเป็นรู้ไปแล้วก็ถ้ายินดีก็ให้รู้ทันยินร้ายก็ให้รู้ทันหมดแล้วล่ะกราบขอพระคุณค่ะนีวันนี้ไหนไหนก็วันปีใหม่ทั้งทีนะเมื่อข้ามวันนี้ก็สวดมนต์แก็ให้สวดมนต์ข้ามปีแต่เราไม่ได้ข้ามตอนเที่ยงคืนเราข้ามตอนัวกข้ามกับตอนนี้พวกเราหันไปทางนั้นนะให้ฟังพระสวดมนต์หน่อย ได้เป็นบุญเป็นกุศลนะฟังฟังแล้วให้ใจเรามีสมาธิถวายพรพระก็พอแล้ว <dans spirit> <ped up> I'm not a เราตดเรื่อราว จะนำชะนักกายมาเทสนเตนะโสมิทินาิตาวนโดลนเตจัสสภาวะโเตชยมังคารังสัจจวิหะยามติสรรม สัพพะตุเตชะยาังคะระคันันโัุชังิดุถังมหิตพิโเตะเระุชะเนะมาปัโตเยตุปะเนสสวิิาจิาิโอเนัสสวตุเตังค เกิดสุขตาธรรมธรรมธรวิสุทธิสุิเมิาิญาณเวิินาิตตวามนอนเตจสภาวะุเตยมัรังเอคาปิโคทัชยำมัตตระ วาเนกาวิริาิปจวานีหมอังสุขังทุกข์เมยานโรสัพปิโยิทายาสัพพานินำปุเรวาิสัพพะ Hare k y i พอสมควรเก็บเวลานะก็ไปทำจิตของเราในหนก็าปีใหม่ให้พอน่อยสระนาอื่นของหลวงพ่อไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระนาอันประเสริจของหลวงพ่อเริ่มหนาแห่งสัจจะนี้ขอให้พวกเรา มีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกโศกรกภัยทั้งปวงสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทำพานิพานให้แจ้งโดยพลันไปทำเอานะตัวอื่นนะยังช่วยกันได้ตัวสุดท้ายต้องทำเองตัวพานิพานไปสู้เอาไปกลับบ้าน